เหมือนจะบทหัวใจให้เป็นแผลตอนที่สิบสี่อาวันนี้เรามาเริ่มหน้า83นานะหัวข้อ 8.3.3 จาคราวที่แล้วเรามีฟุงยิม้มฟุงหมองคราวนี้เรามาเริ่มฟุงเฉยเนยพวกนี้ชอบคิดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเรื่อยไม่มีอะไรก็ขุดขึ้น มาคิดเพียงแต่ว่าไม่มีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่คิดมากๆแต่ทว่าหากจริงจรงจังๆกับสิ่งที่คิดมากไปก็อาจเกิดความยินดีหรือไม่ก็ทุกข์ใจซึ่งก็อาจเป็นไปได้แต่นั่นแหละพวกฟุ้งพวกนี้ก็จะขยับฐานะไปเข้ากับหนึ่งและสองอยู่เสมอร้อยทั้งร้อยเรื่องบางเรื่องไม่น่าคิดก็อย่างคิด จิตใจไม่สงบไม่มีสมาธิตัวอย่างเช่นคิดจะเป็นโน่นเป็นนี่อย่างเล่นๆ เ, เอแล้วมันฟุ้งเฉยยังไงอะเนี่ยฮะฟุ้งเฉยขเขาเขาหมายถึงว่าคิดไปเรื่อยๆเหรอไม่ได้จริงจังอะไรหรือไงแต่คิดไปเรื่อยเปื่อยคิดอะไรเบาๆไม่คิดหนักนะคิดอะไรเบาๆหรือไงเขาบอกว่าคิดเฉยๆ ไอ้ฟุ้งเฉยๆนะคงหมายถึงคิดเบาๆมึงนะยกเว้นว่าถ้าเบาไม่อยู่อ่ะมันถึงจะหนักเท่านั้นเองเนะี่อย่างเช่นเนี่ยคิดเป็ น, นโน่นเป็นนี่อย่างเล่นๆนะเล่นๆมันก็ต้องมาจริงมาจังอสิหรือว่าอยากเป็นยอดมนุษย์โอ้ยหรือว่าใครสร้างมนุษย์เนะี่ยก็คิดไปเรื่อยๆหรือว่าอยากเป็นคุณหญิง มันไม่แน่นะไอตัวอย่างที่เขายกมาสี่ตัวอย่างเนี่ยมันเบาก็ได้หรือมันจะหนักก็ได้เนี่ยแล้วเขาก็แค่สันส้นๆเองนะเนี่ยฟุ้งเฉยๆมีแค่นี้เองในความรู้สึกอตมาเนี่ยฟุ้งเฉยๆมันมีที่ไหนฟุ้งเฉยๆเออฟุ้งเรืเอ่อยๆเออมันน่าจะอย่างนี้มากกว่านะไ อ, อฟุ้งเฉยๆมันจะไปฟุ้งยังไงอ่ะ เฉยมันก็ไม่น่าฟ <co ุ้งสินั่นสินมันตัวข้ามกันนะไอ้สองคเนี่ยไอ้ฟุ้งโอ้โหมันกระจายเลยนะไอ้เฉยนี่มันก็นิ่งอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะใช้คานี้เออมันน่าจะอะไรอ่ะฟุ้งแฟบหรือว่าอะไรคือฟุ้งฟุแฟบอะไรเดี๋ยวุงงเดี๋ยก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ยังค่อยยังชั่ว แต่จะให้เห็นได้ว่าเนี่ยอันนี้นี่คิดว่าหัวข้อนี้เขาตั้งเป้าตรงที่ค่อนข้างจะคิดไปเรื่อยๆ เ, เล่นๆไม่ถึงกับจริงจังรุนแรงแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยใครเนี่ยนะปล่อยให้จิตฟุ้งไปเรื่อยๆฟุ้งไปเล่น ๆ, น, ๆนี่แหละคนนั้นนี่ในที่สุดจะรุนแรงเพราะไม่มีอะไรฟรี เคนที่ไปฝึกฟุ้งเรื่อยๆฟุงเบาๆนี่แหละสะสมนะฝึกไปเรื่อยมันสะสมนะเพราสะสมมากเข้ามากเข้ามันไม่เบานะมันจะเริ่มหนักแล้วก็รุนแรงขึ้นเพราะอันนี้จริงๆเราจะต้องระวังด้วยอ่าส่วนข้อต่อไปเขาบอก 5.3.4 ฟุงลำเส้น <c oughs> เป็นลักษณะของความฟุ้งขั้นสุดท้าย เมื่อผลผลไม้สุกงอมก็ย่อมเน่าหล่นเมื่อแสงอาทิตย์ลับหายจากฟ้าความมืดย่อมเข้าแทนที่ความขับข้องใจที่เกิดขึ้นเมื่อยังไม่หายไปยังไม่ถูกล้างทิ้งยังคงถูกสร้างขึ้นมาให้กล่นอยู่เสมอละครชีวิตเรื่องนี้จึงมักจะจบลงด้วยความเศร้าเขาใช้อะไรภาษาอังกฤษวงเล็บเทจกิดี นะไม่มากก็น้อยคือจบลงด้วยความเศร้าไม่มากก็น้อยชีวิตของผู้นั้นจึงคล้ายคนบ้าวันดีคืนดีเขาอาจหัวเราะและบางทีร้องไห้อย่างไม่มีสาเหตุจิตวิญญาณของเขากําลังวิ่งหนีจากความแท้จริงของชีวิตเขาปฏิเสธปัจจุบันและจะขอดื่มดำอยู่กับอดีตซึ่งไม่มีวันหวนกลับมาอีกบราง บ้างก็ขอซ่อนตัวในในหมอกแห่งอนาคตที่ยังม า, มาไม่ถึงเหรอเหรอมันน่าจะในหมอกอะนะบ้างก็ขอซ่อนตัวในหมอกแห่งอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและก็ไม่อาจเป็นไปได้เมื่อเราเห็นใครเดินเรื่อยเฉยไปตามท้องถนนเฉยบ้างยิ้มบ้าง พูดอะไรอยู่คนเดียวบ้างแต่งตัวรุงรังโสกโปกไม่สนใจร่างกายตัวเองที่สังคมเรียกว่าคนบ้าก็นั่นแหละหนึ่งในหลายๆในพวกเขาละโอ้แหมพวกฟุ้งล้ำเส้นนี่คือบ้าแล้วอะอย่างที่เรากี้อนามาพูดพูดไปตอนต้นๆนั่นแหละถ้ามันมากเข้ามากเข้าแล้วก็มันรุนแรงแล้วมันก็บ้าได้หากยังโศกสลดรันทด ยังหวั่นไหวยังเกลียดชังต่อภาวะปัจจุบันสักวันเราอาจร่วมเดินทางไปกับพวกนั้นก็เป็นได้ฟุ้งล้ำเส้นมีสองลักษณะด้วยกันคือเชิงดูดกับเชิงผลนะแล้วก็เชิงดูดก็คือโพสิตีฟเป็นความฟุ้งในเชิงโลภะคืออยากให้เข้ามาอยากให้มีให้เป็นแต่อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้ว หรือยังไม่เกิดกับตัวเองเลยก็เป็นได้แต่จิตใจก็รำ่ำแต่จิตใจก็ร่ําร้องอยากได้เรือเกินตัวอย่างเช่นนะอันนี้ในเชิงดูดนะอยากให้คนเขาเอาอกเอาใจก็ทําคล้ายๆกับเด็กการพูดการจาการวางตัวก็เปลี่ยนไปจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นกับปริมาณความอยาก เอ้มันยังไงล่ะอันนี้ฟุ้งในเชิงอยากอยากคล้ายเด็กจะพูดก็ตามวางตัวอะไรก็ตามขึ้นอยู่กับปริมาณความอยากมันยังไงอ่ะอยากเชิงดูด <lesbian> เขาหมายความว่าไงหมายถึงว่ากลายเป็นอยากแบบเด็กๆใช่ไหมคืออันนี้นี่หมายถึงว่าพวก b, พวกฟ <lesbian> ุงล้ำเส้นนะ คือพวกบ้าพูดง่ายคือพวกบ้าแต่บ้าแนวหนึ่งก็คือบ้าแล้วมันเหมือนกับสติกับเป็นแบบเด็กๆทำอะไรเหมือนเด็กๆเรียกร้องหรือว่าอะไรแบบเด็กๆเอานี้หนถามคนที่เห็นพวกคนบ้ามาเยอะๆดีกว่า <c oughs> นะโยมที่โรงพยาบาลเนะ่เขาเป็นยังไงบ้างมีบ้างไหมพวกที่บ้าแล้วเหมือนเหมือนเด็กๆลงไปมันเป็นยังไงบ้างอะ่ะเอาของจริงดีกว่า เป็นยังไงบ้างอย่างเช่นเขาเาอย่างไรเขาทำอย่างไรที่เหมือนเด็กๆเขาอยากได้อะไรที่ทำให้เราดูแล้วโอ้ยี้มันเด็กๆนี่มีไหมบ้าแล้วก็แต่งตัวเหมือนเด็กเลยเหรอกินอาหารแบบเด็กๆมีไหมแก่แล้วแก่แล้วก็มาหาอะไรแต่งตัวเหมือนกับเด็กๆ ทาหน้าทาแป้งต้องทาไอ้ A A, แก้มแดงๆองนี้เด้อ <laughs> เป็นมุงกลมอ่ะเออเธอไม่ได้ต้องกินอมยิ้มเด้อบ้า <laughs> แบบเด็กๆแต่ที่เห็นเบางทีร้องไห้แบบเด็กๆนะบางที่ไม่ได้อะไรเนโอ้ยร้องไห้แบบเด็กๆเออนอนดิ้นแบบเด็กๆเลยนะเอ่ะนะเออก็ <h> <h> คงจะเป็นสภาพอย่างนั้นแหละ หรืออันนี้นะอีกตัวอย่างหนึ่งเขาบอกว่าอยากมีอำนาจแต่เมื่อยังไม่สมใจก็อาจเป็นคนก้าวร้าวกับคนข้างๆหรือด่าคนใกล้ชิดเก่งหรือในทางตรงข้ามก็อาจพูดจายกตัวยกตนจนเกินไปแต่บางรายร้ายกว่านั้นจะสะกดจิตตัวเองให้เป็นไปตามที่ต้องการเช่นทรงพ่อคุณรามทรงเจ้าแม่ น, นูน เจ้าแม่นี่ไม่ก็ระลึกชาติเป็นพ่อแม่พี่น้องของคนใหญ่โตบ้างก็รลึกชาติที่ตัวเองก็เคยยิ่งใหญ่มาก่อนฮิริหน่อยตอนนี้ก็ยังหรอกโน้นต้องชาติโน้นถึงจะใหญ่แต่นั่นแหละทั้งเข้าทรงทั้งระลึกชาติประเภทเศษษวะหรือตอกกระต่อยรับรองหาไม่เจอเรียกว่าเข้าใจเลือกกิน นะเชิงดูด น, ะนี้เขหมายถึงว่าพวกเพี้ยนเลยะนะเพี้ยนชนิดที่เรียกว่าเชื่อเลยตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าแม่เป็นอะไรอย่างๆนาะนาะแม้แต่คนทรงก็ตามนะแต่ว่าสะกดจิตตัวเองอทรงแบบสะกดจิตตัวเองและที่นี้เป็นเชิงดูดคราวนี้เอาเชิงผลักนก g a t i สภาพฟุ้งในเชิงโทสะคือผลักให้ออกไปไม่อยากให้มีให้เป็น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วหรื อ, อยังไม่เกิดก็ตามตัวอย่างเช่นเกลียดความจนก็จะพยายามทําทุกอย่างที่แสดงถึงความรวยเช่นอาจใช้สุรุย่ยสุร่รายฟุ้งเฟอ้อมากมายโอ้อันนี้เห็นง่ายนะอันนี้นี่ในสังคมเยอะแย่มากมายเลยเกียดความจนก็เลยแหมทําฟุ่งเฟอือย ผลักผลักความจนเองนะไม่อยากให้ใครเห็นว่าเราจนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทํารวยหรือว่ากลัวทําไม่ดีกลัวเขาว่าจิตก็หวาดหวัน่นหรืออีกตัวอย่างหนึ่งถ้ากลัวอะไรหนักเข้าจิตอาจถดถอยหนีความจริงไปเลยอย่างบางคนพอรู้ว่าตนตนเองการค้าล้มละลาย ก็จะสร้างจิตหนีไปอยู่ต่างหากอาจจะเมื่อยลอยไม่มีความรู้สึกบางรายก็ป่วยสมระทมหรือบางรายก็ฆ่าตัวตายเลยนะอันนี้จะให้เห็นสภาพว่ามันผลักกันนะคือมันยอมรับไม่ได้ยอมรับความจริงไม่ได้เมื่อยอมรับไม่ได้เนี่ยคือไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะ่ะไม่อยากที่จะให้มีอย่างนั้นเกิดขึ้นไม่อยากร่มละลายนะไม่อยาก ผิดหวังไม่อยากอกหักเพราะมันทนไม่ได้ทนรับสภาพนี้ไม่ได้ น, นก็บางคนก็เพี้ยนไปเลยบ้าบางคนก็ทนไม่ไหวก็ฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะมันผลักไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองพวกนี้จึงเป็นผู้ที่คลาดกลัววันไหวง่ายออกจะฝันร้ายบ่อยๆและยิ่งอ่อนแอเพิ่มขึ้นก็ตรงที่ใช้ น้ำตามาระบายอยู่เสมอหารู้ไม่ว่าน้ำตานั้นแท้จริงก็คือยาเสพติดที่ร่างกายเป็นผู้สังเคราะห์ขึ้นมายิ่งเสพมากก็ยิ่งติดมากและยิ่งติดมากก็ยิ่งใกล้าตายทั้งเป็นมากเท่านั้นทำไมเขาถึงใช้ว่าน้าตาเหมือนกับยาเสพติดเพราะเหตุผลอะไรเวลาเราทุกข์เวลาเราไม่สมหวังเวลาเราผิดหวัง ฮะก็จะใช้การร้องไห้เป็นยาเสพติดเป็นเครื่องระบายอ้าวแล้วไงก็ร้องบ่อยๆเคยชินก็ร้รองบ่อยๆผิดหวังอะไรก็ร้ยยรรองเสียใจะอะไรก็ร้องแล้วยังไงอ่ะอ้าวล้วเสพติดมันยาอะไรยังไงอ่ะ พอถึงขั้นไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีสาเหตุแล้วก็ร้องหรือเปล่าเนี่ยจริงจิงแล้วถ้าเกิดมันการสั่งสมจิตวิญญาณให้จิตวิญญาณนี้อ่อนแอแล้วก็ให้จิตวิญญาณเนี่ยวันไหวง่ายนะถ้ากระทบกับสิ่งที่น่าประทับใจสิ่งที่เป็นคุณธรรมแล้วก็ทําให้เราเนี่ยน้ำตาไหลนะ <c oughs> ในความซาบซึ้งในความประทับใจอันนั้นก็ยังดี เข้าใจไหมมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้อะไรอะ่ะเราเคยชินหรือเราติดในสิ่งที่ดีแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังทําให้จิตใจเนี่ยวันไหวง่ายเข้าใจไหมมันวันไหวมันวันไหวง่ายจกนกระทั่งสั่งสรีระออกมาจกนกระทั่งเป็นน้ําตาไหลออกมาไม่ใช่ครอบคตัวเองไม่ได้อ่า จริงๆตอนนี้จะต้องใช้ว่าจิตนะสมมุติว่าจิตมันอย่างที่เล็กี่บอกมันประทับใจมันทราบซึ้งในคุณงามความดีของคนถึงขั้นน้ำตาไหลามามันดีใช่ไมถ้าถ้า ถ, ถ้าจริงๆแล้วมันก็ดีแต่ถึงจะดียังไงมันก็ยังเป็นความที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมจิตให้มันมีความประทับใจมีความทราบซึ้งแต่ไม่เห็นต้องน้ำตาไหลเลยก็ได้ จะถึงขั้นอุเพงคาปิติเรื่องถึงขั้นโอ้ออกมาเป็นน้ําตาใช่ไหมไม่ต้องถึงขนาดอย่างนั้นก็ได้จริงๆแล้วจะให้เห็นว่าเออเรายังไม่เก่งขนาดนั้นนะถ้าเก่งขึ้นเก่งขึ้นเนี่ยมันจะไม่ถึงขนาดอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าที่ยกตัวอย่างอันหลังมาเนี่ยเป็นความประทับใจในสิ่งที่ดีนะ แต่แต่แตอนนี้ไอตัวอย่างที่เขายกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะส่วนใหญ่เนี่ยจะพิกหวังจะเสียใจจะอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราผลักเราไม่อยากมีเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะแต่มันเกิดขึ้นเนะี่ะเราทั้นก็เลยเศร้าโศกก็เลยเสียใจก็เลยร้องไห้เสร็จแล้วอนนี้พอทําอย่างนี้บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าที่มันติดก็คือว่าทําจนเคยชินทําจนกระทั่งอัตโนมัติ วันคานี้กระทบอะไรนิดกระทบอะไรหน่อยกดปุ๊บติดปับ๊บคือมันก็จะร้องไหแ้แหละจะร้องไหแ้แหละเพราะันมันมั น, ม, นมันอ่อนไหวเกินไปจนกระทั่งมันไม่มีภูมิภูมิคุ้มกันหรือว่าภูมิต้านทานอะไรเลยนะพอกระทบอะไรเขาก็เอาแล้วจะร้องไห้อยู่เรื่อยนะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นความฟุ้งในเชิงผลักหรือดูดเมื่อความดูดหรือความผลักถึงขีดสุด ก็สามารถสร้างผู้นั้นให้กลายเป็นผู้อยู่คนเดียวในโลกผู้นั้นจะหลบจิตของตัวเองสะกดจิตตัวเองเพื่อห น, นีปัญหาที่เกิดขึ้นมากลายเป็นพวกวิปราตไปเอที่จริงวิปราตเนี่ยมันไม่ถึงกับเอมันไม่มันวิปราตนี่มันถึงบ้าหรือเปล่ า, นาเนี่ยฮะวิปราตนี่อาตมารู้สึกไม่รู้สินะ ในความรู้สึกมันมันมันยังไม่น่าจะถึงบ้านะแต่ว่ามันมันเออมันมันเหมือนเพี้ยนๆหน่อยละเออมันเพี้ยนๆอาจจะแตกต่างไปนะจากคนอื่นแล้วนะแต่ยังไม่ถึงบ้าถ้าบ้านี่มันมันจิตละโรคจิตเลยละแต่วิปรารถนี่บางทีมันยังไม่ถึงอ่ะยังไม่ถึงโรคจิต เอาอย่างนั้นเลยเอาละแต่ให้เรารู้ก็แล้วกันนะแนวโน้มที่เขาบอกมาฟุ้งต่างๆเนี่ย ส, สอย่างเนี่ยนะคือไม่ดีทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะฟุ้งอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นนะฟุ้งยิ้มฟุ้งอะไรนะฟุ้งมองฟุ้งเฉยนะก็ไม่ได้เรื่องฟุ้งล้ำเส้น นไม่ได้เรื่องทั้งนั้นแหละไม่ฟุ้งเลยมันดีที่สุดอาตานี้ขึ้นหัวข้อใหม่ว่า 5.4 ย้อนหลังหรือการถดถอยรีเกสีฟนี่ก็เป็นลักษณะของความพ่ายแพ้ประการหนึ่งเป็นการหนีปัญหาที่ค่อนข้างน่ากลัวกล่าวคือจะย้อนกลับไปในวัยเด็กนิสัยตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ก็จะกระทำคล้ายๆเด็กไปเลยนักธุรกิจที่ประสบความล้มเหลวในการงานเมื่อทนไม่ได้จะหนีไปไหนก็ไม่ได้เลยเลยใช้จิตหนีไปย้อนการเวลากลับสู่ความเป็นเด็กอีกครั้งบางรายจะพูดจจาก็ไม่ชัดทํากริยาอาการคล้ายเด็กห้าหกขวบอึไม่เป็นที่แถมจะเล่นอึซะอีก การถดถอยจึงเป็นวิธีการสะกดจิตตัวเองให้กลายเป็นเด็กแม้อายุ 70-80 ถึงก็ยังสามารถกลายเป็น 5-6 ขวบได้การถดถอยกลับเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งบางรายก็จะกลับเป็นเด็กเพียงบางส่วนบางรายก็มากส่วนซึ่งก็แล้วแต่ภูมิหลังหรือความเคยชินที่ได้กระทำมาสภาพสังคมปัจจุบันส่วนใหญ่ ก็ใช้วิธีการนี้โอ้ไม่ถึงอะเมิงไอถึงขั้นกลับไปห้าหขวบนี่มันอาการหนักแล้วนะจริงๆไม่ส่วนใหญ่หรอกส่วนน้อยแต่มันมีส่วนนี้อยู่ที่คนมักจะเป็นก็คือส่วนที่ผิดหวังไม่สมใจในปัจจุบันนะไม่รู้จะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ เอาไปผู้ใหญ่แล้วเมื่อเมื่อไม่สมหวังเนี่ยในปัจจุบันใช่ั้มแต่ในอดีตของเขาเนี่ยไม่ไม่ว่าจะช่วงไหนก็ตามแต่จะช่วงเด็กตอนไหนหรือจะเป็นช่วงตอนหนุ่มก็แล้วแต่ช่วงหนุ่มช่วงสาวช่วงไหนก็ตามที่เขามีความสุขช่วงนั้นแหละจะเป็นช่วงที่ขึ้นมาในจิตเขาเพราะมันจะเป็นวิธีการที่จะมาแก้ทุกข์หรือว่ามาดับทุกข์ของเขาเพราะว่าไอ้ปัจจุบันไม่สมหวังอะ เพราะเขาจะคิดในในช่วงนั้นน่ะเพราะว่าช่วงนั้นมีความสุขที่สุดเพราะเขาจะหนีไปหาอช่วงที่มีความสุขที่สุดเพื่อที่จะเอามากลบเอามาเกลืนเอามาฝังปัจจุบันที่มันผิดหวังปัจจุบันที่มันมันจะต้องทุกข์นั่นแหละเขาก็ต้องไปคิดช่วงนั้นมาไม่ว่าจะกี่ขวบก็ตามแต่อันนี้มันเป็นเหมือนกับสัญชาตญาณคนอย่างหนึ่ง แต่มันเป็นการหนีปัจจุบันเนี่ยหนีปัจจุบันกลับก็ไปหาดีไปหาดีช่วงที่ตัวเองเนี่ยจะสมใจที่สุดจะเป็นสุขใจที่สุดเขาก็จะหนีไปหาช่วงนั้นอาจจะไม่ต้องไกลก็ได้อย่างเช่นวันนี้วันนี้คนนี้เนี่ยรู้สึกโอ้โหปวดหัวเหลือเกิน <c oughs> นะไอ้เรื่องโน้นไอ้เรื่องนี้ นันก็เลยคิดไปเลยบอกโอ้โหเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่โอ้โหได้ไปเที่ยวภูเก็ตโอโ้สบายมากเลยนะรู้สึกอากาศดีนั่งริมทะเลลมพัดมาเย็นๆแสนจะมีความสุขเนี่ยก็นึกย้อนไปแล้วนึกย้อนอดีตไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วเขามีความสุขคืนนี้จะปัจจุบันซึ่งโอ้โหงานท่วมโต๊ะเลยนะมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาโอยมีแต่งานทั้งนั้นหน้าปวดหั ว, วจิตมันผลักจิตมันไม่ยอมรับ สภาพปัจจุบันมันก็จะไปเอาไอ้ที่มีความสุขนั่นแหละเอามาชดเชยเอามาทดแทนนะเพราะนี่แหละที่เราเรียกว่าสภาพตดถอยเขาเขาเขาเรียกเองนะเขาใช้ภาษาว่าถดถอย <c oughs> นั่นแนหะมันก็จะถอยไปหาไอ้ตัวที่เป็นความสุขตอนนี้จะไปคิดอนาคตไปฝันเองไอ้นั่นมันมันอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้นี่มันคิดจากของจริงคิดจากความจริงแต่มันเป็นของจริงเป็นความจริงที่มันผ่านมาแล้ว จริงๆคนที่นึกจากของจริงแล้วความจริงเนี่ยมันมีความสุขที่เป็นตัวเป็นตนได้ชัดเจนกว่าคิดอนาคตอนาคตมันยังไม่เป็นตัวเป็นตนน่ะก็มั่วก็เดาเท่านั้นเองแต่อันี้มันสุขจริงๆอ่ะแต่มันเป็นสุขในอดีตที่ผ่านมาแล้วแต่เขานึกได้หมดเลยเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนนะเออไปนั่งตรงนั้นต้นไม้ตรงนี้ชันยังสลัก หัวใจเอาไว้ที่ต้นไม้ต้นนี้อะไรมันจำได้หมดเพราะมันก็เอาภาพพวกนี้ขึ้นมานึกย้อนเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเกิดความสุขขึ้นมาแต่ว่าการหนีปัญหาอย่างนี้นี่คนนี้จะไม่มีวันแก้ปัญหาได้เลยเพราะยิ่งนึกย้อนเท่าไหร่คนนั้นยิ่งสูญเสียเวลาของปัจจุบันไปนานเท่านั้นยิ่งนึกย้อนนานเท่าไหร่ก็ยิ่งสูญเสีย 1. เวลาที่จะแก้ปัญหายิ่งสูญเสีย 2. โอกาสที่จะแก้ปัญหายิ่งสูญเสียเสียทั้งเวลาเสียทั้งโอกาสเพราะฉะนั้นแล้วพวกนี้จะไม่เพียงแต่แก้ปัญหานั้นไม่ได้พวกนี้ยังจะเพิ่มปัญหาไปอีกเพราะทุกวินาทีที่ผ่านไปนี่มันขาดทุนไปเรื่อยถ้าเอาเงินฝากธนาคารอยู่หรือหรือว่าเป็นหนี้ใครเขาอยู่ดอกเบี้ย เกิดขึ้นทุกๆวินาทีเลยพราะนยิ่งยิ่งนานเท่าไหร่ ย, ยิ่งโอ้โหคือคือสมมติคือสภาพจริงตอนนี้เขาคือเขาจนเขาติดหนี้คนอื่นใช่ไหมเนี่ยสมมติมว่าโดนธนาคารยึดบ้านไปแล้วนะแล้วก็เป็นหนี้ธนาคารอยู่ธนาคารยังจะต้องมาทวงแล้วก็ยังจะคิดดอกเบีย้ยสมมุตินะเสร็จแล้วคราวนี้คนนี้ก็ไม่มีเงินอ่ะตอนนี้กุ้ม ทุกก็เอาวิธีดับทุกตัวเองก็คือคิดถึงโอ้โหเมื่อปีที่แล้วนี่เรายังรวยมีเงินมากมายก็นึกไปถึงปีที่แล้วเพราะมีชีวิตอยู่แต่ละวันตอนนี้ก็เลยเอาวิธีการเนี้ยมาคิดตอบใจตัวเองอยู่เรื่อยเอามาคิดอยู่เรื่อยเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองทุกแต่ทุกทุกวันที่เขาคิดอย่างเนี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้มาหาเงินมาชดใช้ใช้วิธีนี้หนีทุกข์หนีปัญหา วันทุกวันที่ผ่านไปไอ้ดอกเบีย้ยเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะั้นไม่เพียงแต่ปัญหานั้นไมโดนแก้ปัญหานั้นเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดคนนี้เนะี่ะยิ่งนานวันจะยิ่งไม่มีทางแก้ปัญหานั้นได้เลยเพราะคนที่ยอมรับความเป็นจริงยอมรับความเจ็บปวดได้นะจริงแม้ว่าจะเจ็บปวดนะโอ้โหพอรู้ความจริงอะตอนนี้เองล้มละลายนะอ่า ยิงยอมรับได้เจ็บปวดแต่กลับยังจะแก้ปัญหาได้นะใครที่ยังเป็นคนสู้ปัญหาอยู่คนนั้นจะแก้ปัญหาได้แต่คนที่หนีปัญหาจะไม่มีวันแก้ได้เลยแม้ตลอดชีวิตของเขาก็ตามก็จะไม่มีวันแก้ได้ถ้าตาบดายัางหนีปัญหาอยู่เรื่อยนะบางคนพอมีเรื่องขัดใจไม่สมใจก็ร้องกี๊ดบางคนก็ร้องหหมร้องไห้งองแง บ้างก็โมโหคุณเต็มที่หน้าตาบิดเบี้ยวราวกับเพิ่งโผล่มาจากโลกันนี่ก็ลักษณะของความเป็นเด็กอเอาหนักนะ <c oughs> แหมโกรธโมโหราวกับโผล่มาจากโลกันพวกโผล่มาจากโลกันนี่คือพวกไหนเนี่ยะจะต้องเป็นตัวอะไรที่โผล่จากโลกันโลกันนี่ก็พวกกลุ่มนรกเพราะฉะนั้นก็เป็นแบบพวกผีพวกเปรต <c oughs> ตัวอย่างแม้แต่ความไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างสั้นๆแค่เนี้นะแหมคิดว่าเราคงเข้าใจอ่นะก็เขายกตัวอย่างแค่เนี้ยเขียน่าบรรทัดเดียวตัวอย่างแม้แต่ความไม่เป็นตัวของตัวเองทําไมความไม่เป็นตัวของตัวเองมันเป็นยังไงมันจะทําให้ย้อนกลับไปเป็นเด็กเหรอฮะ ฮะสงสัยตอนนี้อยู่ที่พบใครพบมันตีความนะ <rico> เร่ยงว่าใครมีอะไรอยู่ก็พูดออกมาก็พบของคนนั้นนั้นแล้วแต่ใครมีพบไหนตีความกันเราเองแล้วกันก็เขาพูดมาสั้นๆแค่นี้ stabilize. นะก็พยายามเอาให้เกิดประโยชน์กับตัวเราก็แล้วกันเขาบอกว่าแม้แต่ความไม่เป็นตัวของตัวเอง นะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการย้อนหลังหรือว่าถดถอยยังไงนะให้ให้เรานึกเอาก็แล้วกันนะอีกตัวอย่างหนึ่งเขาบอกว่าความไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าความเป็นผู้วันไหวง่ายใจสาอนะอีกตัวอย่างหนึ่งอยากให้คนอื่นเข้าใจตัวแล้วก็รักตัวสงสารตัวนะทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่าง ที่เขาบอกว่าเนี่ยละถ้าใครไม่สมหวังใครอะไรแล้วมันก็จะไปมีความคิดถดถอยไปเป็นแบบเหมือนมีอาการเหมือนเด็กอะ่ะคือจะให้คนอื่นเข้ามาเออมาเอาอกเอาใจก็ตามหรือให้คนอื่นเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้แต่ตัวเองเนี่ยไม่แก้ปัญหาเด็กเนี่ยไม่ค่อยแก้ปัญหาเด็กจะให้ผู้ใหญ่แก้ปัญหาเพราะเด็กเนี่ยจะเอาแต่ร้องร้องไห้ก็ตาม ร้องอะไรก็ตามเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่เนี่ยมาแล้วก็ให้ผู้ใหญ่มาแล้วผู้ใหญ่ช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยแทนที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองเพราะเด็กเนี่ยไม่เพียงแต่ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเท่านั้นเด็กยังไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองและเด็กเนี่ยนะเป็นผู้หวั่นไหวง่ายและและเด็กนี่แหละอยากให้คนอื่นมาเข้าใจและเด็กนี่แหละรักตัวเองสงสารตัวเอง นี่จะมาะย้อนอธิบายตัวอย่างเข้าทั้งหมดนั่นแหละนะพวกอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นลักษณะของความเป็นเด็กทั้งสิ้นผู้ที่ยังมีความต้องการในสิ่งเหล่านี้อยู่ยังไม่มีความอิ่มยังคิดว่าขาดอยู่จิตก็จะสั่งกายให้แสดงออกให้มีอาการคล้ายเด็กทําอะไรก็ดูซื่อๆจนเกินไปไม่มีปฏิพานนาเสียงก็ไม่มีความหนักแน่น อ่อนเบาและแม้แต่จะพูดจาก็ไม่ชัดถ้อยชัดคําเราจรึงมักจะได้ยินผู้บรรุธรรมแล้วแสดงธรรมว่าเปล่งสีหนาฏ <c oughs> <c oughs> เปล่งสีหนาฏเสมอต้องใช้คําว่าบรรลือนะบรรลือสีหนาฏเสมอซึ่งไม่เกินความจริงไปแม้แต่น้อยคือ <c oughs> อันนี้เขากำลังจะบอกว่าตะกี้าะมาบอกไปแล้วไอ้ตัวอย่างผู้นั้นเป็นอาการเด็ก นะแต่สำหรับคนที่นะเป็นผู้ใหญ่คนนี้คนที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆนะคนนั้นมากจะมีลีลามีซุ่มเสียงมีบุคลิกมีอาการที่แสดงออกถึงความหนักแน่นความเอาจรั ง, งความมั่นคงความแข็งแรงยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่บรรลุทมแล้วนี่ยิ่งเด็ดเดี่ยว